ออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนสรงไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจคำว่ า, ากลายคำว่ า, ากลายมาจากกลายเนี่ยมันกลายออกไปจากนี้แหละ มันออกไปจากกลายมันกลายไปจากนี้หลมันกลายเป็นกายใช่คือมันกลายมันข้ามกลายไปแล้วเดงไน่เห็นตนผู้ตนเปรียบเหมือนกับตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นไม่เห็นก่อนดน้น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 เรียนระเภายนอกมันส่งโอภายนอกเนาะอ้นปรุงแต่งไปนอกเนาะไม่มีที่สิ้นที่สุดเรียนภายนอกเรียนเข้ามาในจบกันเลยที่จะเรียนคขัวโม่ให้จบต้องเรียนเข้ามาไไภายนอกเรียนระเบิดภายนอกไม่มีจบ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 เห็นจริงออกไปแล้วจึเรียกว่าอริยสัจท่านั้นแม่ของจริงของแท้ของกวอาอริยเจ้าจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะเอาในตัวของเรานี่แหละผสมกันในที่นี้แหละให้รากดเห็นขึ้นมาในที่นี้แหละ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 นั้นตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของหนัาตากันมันทุกข์่างก็เกิดเป็นทุกขเ์เพราะเชตนาแปลปวนก็ปล่อยไว้ตามทุกข์ซึ่งว่าเห็นมันเป็นจริงองไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเนื้หาคนต่างสมป ญ, ญายรัฐบัตพระองค์นเทศนาวควรเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็น จึงจะได้ชื่อว่าเรียนความโง่ไม่ใช่เรียนความลาดเรียนควาโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานีิแต่นั้นแต่ไรมาล่ะทุกทุกคนนะ่ยเกิดจะมาโง่อย่างงั้นครูบาอาจารย์ต่งสอนแนะนําตะเกียร์อะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นะั่น่ะ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 ยิ่งเรียนเท่าไรยิงเห็นขโมงโง่ของตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนสอนให้เราเรียนขโมงโง่ไม่ใช่เรียนสอนให้เรียนขโมงฉลาดเมื่อรู้งโง่แล้วเห็นโง่เห็นรู้โงนะ่เห็นงโง่เนะี่ยจะเรียกว่าคนฉลาดก็ได้รู้งโง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้มันเห็น น, นมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนนน่ะมันงโง่ เหตุนั้นการปฏิบัติเอาพวกเราต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจนี่และอย่าไปส่งออกไปภายนอกให้จะเลียนนหนก็เรียนเถอะเ่้นห่งเข้ามาภายในส่งเขามาภายในเที่เรียงโคมโง่ของตน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 และไม่ให้คิดไม่ให้นึกก็อยู่ได้ไม่ปรุงไม่แต่งก็อยู่ได้นั่นแหละบังคับจิตอยู่อย่าให้ใจใ จ, ใ จ, จิตบังคับเราจิตบังคับไม่เราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในอานาจของจิตมันต้องเป็นไปตามวีสัยอำนาจของจิตคนเราธรรมดามเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากำนด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 อะไรเป็นคนปลอดโพงโลงงอกโลงใจนในไครโล่งใจก็บอกว่าโลงใจปลอดโพงก็ปลอดโพงใจก็วอาใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจมันอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจอีกคือให้จปกะโคมโปร่งนะควมโล่งนะคมสว่างนะควองเบิกบานนะใจประคุณนะั่นแหะ